จามาสุกันฟังสักหน่อยเนาะคิดถึงพวกเราวันกันเออปฏิสันฐานด้วยทำชีวิตเราก็ผ่านไปวันเวลาก็ผ่านไปงนเราชีวิตเราไปด้วยเราจึงต้องใช้ชีวิตให้มี ความค่ามากที่สุดเกอมหลงก็ผ่านไปความรู้ผ่านมาความโชกผ่านไปความรู้ผ่านมาความรู้ยืนหยัดเที่ยงตรงทุกอย่างไม่เที่ยงตรงดอกจะหวั่นไหวความักก็ไม่เที่ยงตรงความสั่งก็ไม่เที่ยงตรง ในความลักของจังพอใจเสียใจยินดีเย็นร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์มันเกิดใจเจเ็บตายที่ตรงนั่นด้วยความลักก็ทําให้แก่ทาให้เจ็บทําให้ตายไปความชังความโกรธความโลภความหลงดีใจเสียใจมันเป็นพบเป็นชาติ เราเห็นมีสติตมาก็เที่ยงความเที่ยงตรงความไม่เป็นอะไรกับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นการได้ชีวิตมีชีวิตไม่ใช่เวลาเอาชีวิตเราไปเราได้ชีวิตเหนือการเกิด เ, เจ็บตายได้ได เราจึงคือคนตนเองมันทำได้ทำได้ทันทีนะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ฟรีความหลงออกไปฟรีความทุกข์อกไปฟรีอาการมันต่างที่เกิดขึ้นกับการหยุดใจเอาไปฟรีฟร ชีวิตเราได้ไม่ <c oughs> มีคมุณค่าอะไรชีวิตเกิดมาเพื่อรับใช้เป็นทาตของความหลงเป็นทาตของความรักความชังความสุขความทุกข์ดใจเฉยใจย <c oughs> พบแล้วพบเราเกิดดับเกิดดับ อย่างก็แทนที่จะได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่ล่องรอยมาทีไดก็ยอมรับความหลงมาก็หลงความรักมาความชังความดีใจเฉอยใจมาก็ยอมรับก็เ ล, ล, ลยเป็นทางทางเหยียบย่มของปัญหาต่างๆ ในชีวิตเราเกิดมาเพื่อรับปัญหายอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายราความรักความชังความพอใจความไม่พอใจพัด ภ, ภาคเศร้าใจเป็นทุกข์ทั้งที่เป็นความทุกข์ก็กยังเอาก็ยังยึด ทันยึดมัน่นถือมั่นนะมันไม่รู้นะทางโบราณท่านว่าเอากองจักมาเป็นดอกกัวงเอาผลหนหัวตัวเองเป็นสุขก็เป็นกองจับเป็นทุกข์ก็เป็นกงจับทำให้เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาเวทนาคือ เจ็บปวดความักก็เจ็บปวดได้ความักกลายเป็นอารดิาเบยิบยังกันได้ในความจังก็เป็นดิฉาบยที่สุดก็คื อ, คอทุกข์อ่นหนังสือเพียงมาสองสามวันนะสามีพันยาทะเลาะกันนะ แต่พัญญาตัดสินใจมัดลูกติดเอวตัวเองโดดตั้มลงไปก็จะฆ่าตัวตายและลูกพร้อมกันไปอพอดีหน้ามาไม่ลึกเวียงคอลูกอยู่เอวก็ตายไปแต่แม่ลอยคออยู่ได้ไม่ตายาความรักแท้กลายเป็นการเขืนฆ่ากันได้ความชังก็กลายเป็นการเขืนฆ่ากันได้ เราก็ยังมีอยู่ในโลกเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในัวเราเนี่ยก็มีทุกชีวิตต้องมีถ้าเราไม่ศึกษาเอามาเป็นปัญหาใหญ่ต่อต่อต่อสังคมแต่ให้เราได้ศึกษา ถ้าเราไม่ศึกษามันก็ปัญหาก็ไปอยู่ถ้าศึกษามันก็จบจบกันทีเรื่องงี้ถ้าทุกคนมาศึกษามันก็จบทันทีไม่มีปัญหาอะไรโดที่จุดก็ไม่มีอะไรมันมาเพื่อไม่มีมันก็ไม่ ม, ม, ม, ม, มีไม่มีตัวมีตนของมันการเวลาอย่นี้ก็ไม่มีตัวไม่ตนของมันแต่มันก็ยิ่งใหญ่ แต่เราไปก็ก็ให้มันยิ่งใหญ่ไปกินชีวิตเราไปแทนที่เราจะเอาประโยชน์ให้มันเจริญเติบโตขึ้นในคนณค่าในชีวิตชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรความไม่เป็นอะไรจึงจะใช้ได้ถ้าการเต็นอะไรใช้ไม่ได้ เหมือนใช้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกถ้ามันไม่เป็นไรมันก็ใช้ได้เหมือนเราไม่รถก็ถจะใช้รถอะไรเป็นปกติหน้าจอสมองมันดีไหมไปแดงไปอะไรเกิดขึ้นไว้หรือใช้เครื่องขยายเวลา กดสวิสเปิดไฟไฟมันปั๊บปุ๊บแป๊บแป๊บพ่พ่อไปช่วยกระจายก็เลยว่าใช่ไม่ได้ติดเครื่องเสียไฟเข้าไปแล้วกดเช็กแล้วปกติเดียวว่าพวกที่ใช่ได้ชีวิตจริงๆของคนเรามันต้องปกติพวนที่จะทำดีได้แล้วควมช่วได้ ถ้ามันเพวกด่พลินไม่ได้มันต้องมาตรฐานชีวิตเราเป็นปกติเป็นมาตรฐานของชีวิตถ้าไม่มาตรฐา น, มนไมไ่ใช่ไม่ได้ถ้าพูไม่ได้ถ้าแพ้ไม่ได้เหมือนการเดินผ่านใะชีวิตเรานะสองข้างทางนะรนุนโศกรุนทุกข์ พอใจไม่พอใจเป็นสองข้างทางสภาพที่รู้สึกตัวเหมือนก็ผ่านไปผ่านสองข้างทางอย่าไปคล้องสองข้างทางอย่าไปคล้องเกี่ยวบางทีมันหลงบางทีมันรูก้ก็เห็นทางนั้นบางทีมันสุขบางทีมันทุกข์ก็เห็นมันทั้งนั้นมันพอใจมันไม่พอใจตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจะื้อกได้กินลิ่นได้รดอย่าไปพอใจ ตรงที่สองข้างทางมันมีเกิดเจ่เจ็บตายก็พอใจก็เกิดแล้วแก่แล้วตายแล้วเจ็บแล้วตอไม่พอใจก็เกิดแกเจ็บตายแล้วม่จะการเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็แสดงให้เราเห็นเราหลงกี่ครั้งเราทุกข์กี่ครั้งเรา มีปัญหาจีข้างมันก็ไม่มีจริงๆแต่เราก็แวะข้องแวะไปกับเขาเหมือนสองข้างทาง <c oughs> ที่มันเป็นเหลือพ่วงทาให้เราไปไม่ค่อยได้ถ้าบางคนก็สนใจหาสุขหาทุกข์ก็ได้สุขได้ทุกข์ตามความสนใจสนใจความรู้ความหลงก็ได้ความสนใจ ความหลงมีรสชาติความลู้มีรสชาติความผิดมีรสชาติความถูกมีรสชาติความรักมีรสชาติความชังมีรสชาติเราก็เสพติดติดรสของโลกติดรสของโลกก็ไปไม่ได้ก็เลยเกิดเจอเจ็ตายตรงนั้นเยี่ยเวลา ปฏิบัติธรรมในคือเดินผ่านภาวะที loops, ่เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้ววันสศกรู้แล้ววันทุกรู้แล้ววันผิดรู้แล้ววันถูกรู้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะเห็นไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆไปจนถึงไม่จนถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรจุดหมายปลายทางของชีวิตเรา วันไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นที่สุดของชีวิตมันผ่านไปมันผ่านไปจากอะไรมันจึงไม่เป็นอะไรมันก็ผ่านไปจากทุกอย่างมันจึงไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีการผ่านมันก็ยังเป็นอยู่มันก็อ่อนเก่าลดของโลกออนเก่าไม่ใช่หลากหลายเราให้ค่าของรด น่าจะผ่านได้กันจริงๆเป็นความโกรธบางทีมันจะผ่านไปความรักวันผ่านไปความทุกข์มันผ่านไปรถของโลกมันผ่านไปผ่านไปมันก็อเนเดียวแต่เรายังยังดื้อด้านยังสุขสนยังไปมา เกี่ยวข้งกับเราเพราะฉนักนทุกข์มันได้อะไรถ้าไม่เป็นอะไรมาสะอาดบริสุทธิ์นะรู้แล้วรู้แล้วนะมันมีเท่านี้จริงๆโลกนะรถของโลกมีไม่มากไม่เหมือนเชื่อโลกที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายอันนี้ก็เป็นของจริงอยู่แล้ว ในรูปของเราในนามของเราเนะี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็ไม่มากถ้ามองมองดูจริงๆถ้าศึกษาจริงๆอ่ะมันก็มีตัวสภาพรูสภาพหลงต้นตอของการศึกษาในเหลือวิสัยที่เราจะทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆนะ่ก็มีสูตรมีพระสูตร เหมือนกับสูตรต่างๆสูตรผิดสูตรถูกก็มีในชีวิตเราน่ะมันก็มีตัวสภาพที่รู้สภาพที่หลงสภาพที่หลงก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไรพอที่เราจะเปลี่ยนเป็นสภาพรู้ได้ง่ายๆสภาพหลงเนี่ยก็ไม่รับรีไม่ผิดดังํำพงัง เกิดขึ้นแบบโง่โงความหลงมาแบบโง่โองสภาพที่รู้มาแบบมีชั้นเชิงมันเหนือดองใช่ดูแต่เรายอมโง่ยอมโหลงเพร า, าะมันมีอาสาทะมันมีอาสาทะ มันมีรสชาติหนกบุ่นคนคิดไปกับความหลงเป็นอารมย์ย่อมจิตใจเราเองถ้าเราไม่สัมผัสกับรสพระธรรมจริงๆมันจะไม่เปรียบเทียบดได้เลยลองดูสิเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความลัก ความชังเป็นความรู้เปลี่ยนความผิดการถูกเป็นความรู้ลองเปลี่ยนตรงนี้เดีวมันจะได้รถใหม่ๆได้รถใหม่ๆแลวจะได้คำตอบเองจึงเป็นส่วนตัวของเราต้องต้องมีส่วนประกอบมีส่วนประกอบยา อย่าเป็นส่วนตัวคนเดียวไมีส่วนประกอบถ้าเราหลงนะ่ะอย่าเป็นเรื่องส่วนตัวมองถึงคมไม่หลงมองคนอื่นด้วยถ้าเราทุกข์ก็อย่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคนอื่นเขาคงไปทุกข์ความทุกข์ที่เราทุกข์คนอื่นเขาอาจไม่ทุกข์เช่นความเก็บคนอื่นจะไม่ทุกข์ก็ได้ ค้อมร้อนคนอื่นจะไม่เละไม่ทุกข์ก็ได้ความหนาวคนอื่นจะไม่ทุกข์ก็ได้ความหิวคนอื่นอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ทำไมยังเป็นส่วนตัวของเราคนเดียวเก็บใค้ได้ป่วยอาจจะไม่ต้องทุกข์ก็ได้การพัดพากจากของเราของจับใจไม่เป็นทุกข์ก็ได้คนอื่นเขาไม่เป็นทุกข์ก็ได้แต่เรามาเป็นทุกข์สิ่งที่เราเป็นทุกข์คนอื่นไม่เป็นทุกข์สิเราเป็นสุขคนอื่นเดไม่เป็นสุขเขาจะมีปัญญาตรงนี้ด้วย มองกว้างๆ ก, การศึกษาธรรมะมองโลกกว้างแบบเป็นอิสระอย่ามองแคบแคบมองแบบกว้างกวางปล่ อ, อยอความรู้สึกที่กว้างใหญ่ไพศาลใน ความเบียดเบียนก็มีความไม่เบียดเบียนในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความหลงก็มีความไม่หลงในความรักความชังก็มีความไม่รักไม่ชังสิ่งเหล่านี้เกิดต่างวัละซึ่งกันและกันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงของจริงคืออันเดียวคือความรู้สึกความเลื่อมใจเป็นตัวเฉลยเป็น เป็นแทักเตอร์ตัวเฉลยผ่านได้ตลอดเหมือนเดินทางถ้ารู้ก็ไปแล้วถ้าหลงก็หยุดแล้วเป็นการมักเป็นองค์มักเป็นองค์มักมักไ่ใช่ไปท่องจำมักคือเอามาทำ มีความเห็นถูกเห็นว่าหลงไม่อันหนึง่งควรไม่หลงอันนึง่งเห็นถูกคิดถูกการงานถูกตั้งใจถูกตั้งสติถูกด้บหลีถูกมีองค์พ้องมากมายพลังยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งเห็นถูก ทำถูกการงานถูกพูดถูกอะไรต่างๆมันเป็นพลังาำห้เหมือนกับเหมือนกับว่าน้ำน้ำหลากเหมือนน้ำหน้าวัดเรานะ่มันมามาแบบใหญ่มันหลากไปทองที่ข้ามไปสลาหน้ามียอ เต็มหมดพอน้านลากมามันพัดไปหมดเลยหญาเลียบไปเลยอันพลังแห่งมรรคเนี่ยมันเลียบได้ความหลงหมดไปความทุกข์หมดไปกว่าวิช้าเบียดเบียนหมดไปหมดไปเพราะมันมีอะไรที่จะสู้องค์มรรคได้อันผ่านไปผ่านไม่ผ่านเฉยๆมันเอาไปด้วยเอาอะไรที่ไม่ใช่ ที่มัเป็นทางหวงขั้นเช่นหลงโมงเหงาห่นอนไม่องมมักตรงนี้ด้วยได้ไหมถ้าเราหมกมุ่นคุณคิดลัง เ, เลยสงสัยองค์มักตรงนี้ด้ไหมสำนึกทีท่ตีเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้ที่ใดมันเกิดขึ้น ม, มันผ่านไปหมดผ่านไปหมดจนบริสุทธิ์ผุด่องความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นต่างกันอย่างไง ความไม่เป็นอะไรกับภาพที่เป็นอะไรมันต่างกันยังไงแล้วก็ได้สัมผัสเป็นผลงานของเราเอง่านจากความหลงไปสู่ความไม่หลงมันเป็นยังไงมีผลงานบ้างไหมเป็นองคมรึกขึ้นมาไหมเป็นองค์ผลขึ้นมาไหมนัม้นมีมรึกมีผลทำไว้ไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่เฉียงเหมือนกับทรมาเดิน ทำมาอื่นมันก็เสี่ยงแต่ทั้งมักผลนี่ไม่มีการเสี่ยงเลยในผลงานทันทีพลิกมือขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้มันชิ้ผิดรู้มันพูดถูกรู้เนี่ยมันมีผลเลยเรียกว่ามักผลเมื่อเกิดผลบ่อยๆเกิดผลบ่อยๆมันก็หมดเป็นอย่าง ที่เราศึกษาปราชาธรรมะเรียกว่าเรียกว่าอะไรักสีฝนจีนิพพาเดืงโลกุตระธรรมเก้าโลกุตระธรรมเก้าโลเกีธรรมโลกุตระธรรมโลเกจธรรมมันลดของโลก โลกุตะธรรมลดของธรรมโลกุตระธรรมข้าวคืออะไรคือมรรคผลมรคคืออะไรมรคคือโสดาปติมรคสจิท่าคามิรคอนาคามิมรคอรหันตมรคโสดาปฏิผลสจิทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลเป็นแปด อ่างที่เราสวดคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเดียงตัวบุรุษได้แปดบุตรแปดบุรุรคือใครคือมรซิผลสิแล้วเก้ากับอะไรเก้าคือนิพพานไปถึงคือไม่เป็นอะไรเมื่อมันหลงรู้มันก็ไม่เป็นผู้หลงมันก็รู้รู้ตัวรู้เป็นอะไรไม่เป็นไรตัวรู้ไม่เป็นไร มันเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมันจะยากอะไรแล้วก็เมื่อมีผลมันไปเป็นมรรคเป็นผลเมื่อไม่เป็นอะไรมันก็จะเป็นอะไรอีกไปไหนมันก็หมดแล้วดับไม่เหลือดับอาการที่มันเป็นไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือดับไม่เหลือสิ้นสิ้นชาติสิ้นสภาวะที่เป็น จุดหมายปลายทางของจุดเราก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าไปเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรายังสุขยังทุกยังพียังถูกอยู่ไม่ถูกต้องต้องไม่เป็นไรไมิเตเห็นมันมันไม่เป็นไรมันจึงผ่านจากภาวะเป็นอะไรผ่านจากเป็นอะไรทุกอย่างจึงไม่เป็นไรไนดะ้ไม่ใช่ไม่ผ่านนะมันผ่านแล้วจึงพ้น ถ้าไม่ผ่านนะก็ไม่พน้พนผ่านหลงมันจะพ้นจากหลงผ่านทุกมันจะพ้นจากทุกผ่านโกรธมันจะพน้นจากโกรธถ้ามันไม่พ้นมันก็ไม่เปรียบมันก็ไม่เรียกว่าผ่านเหมือนเราเรียนหนังสือถ้าเกรดไม่ดีก็ผ่านไม่ได้ถ้าเกรดดีมันก็ผ่านได้ไม่ต้องมาเรียนอีก หลงไปเรียนซ้ำซ้ำทาไมไปเรียนซ้ําทําไมวันทุกไปเรียนซ้ําทําไมเรื่องเก่าไปเรียนซ้ําทำไมกี่ครั้งมันทุกมันหลงกี่ครั้งมันโกรธกี่ครั้งเอาเรื่องเก่ามาย่ำคิดเอาเรื่องเก่ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมเป็นพวกเป็นชาติอย่างพระโสดาบันเนี่ยสโสดาปฏิมากเนี่ยมีเจ็ดชาติ มีเจ็ดชาติคือเรื่องเก่ามาทุกเรื่องเก่ามาสุกย้ำชิดเรื่องเก่าพระอน า, าคามีมีชาติเดียวภบเดียวผ่านได้ปั๊บปัดทีเลยพระอาหันต์คือมรรคผลที่ผ่านคือไม่ต้องมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายใจเรานีแล้วก็เห็นทุกคนทุกคนมันหลงมาก็เห็นมันถูกมันทุกเราก็เห็น พอเรียนปั๊บมันเห็นเรื่องนี้ทันทีไม่ปิดบังอภิภักปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนี่คือศึกษาธรรมะไม่มีใครไม่เห็นความหลงไม่มีใครไม่เห็นความรู้ไม่มีใครไม่เห็นความทุกไม่มีใครไม่เห็นความสุขเห็นหมดความพอใจความไม่พอใจเห็นหมดมันก็ผ่านเรื่องนี้ไป ไม่ใช่ไปเอาเลยเพราะาปฏิบัติธรรมครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เขาจะได้อย่างนั้นคงจะได้อย่างนี้เป็นจินตะยานเป็นกินตม็มมยาปัญญาปัญญาแบบปลอมๆต้องเป็นภาวนามยาปัญญาปัญญาชัดแจ้งแจ่มแจ๋วรู้เย็นเยไม่ต้องบอก ไม่มีใครมาบอกเป็นคําตอบเองสัมผัสตัวเองมันก็ไม่ลี้ลับอะไรการปฏิบัติธรรมที่เราทนะําน่ะถ้าเราหลงคนอื่นก็หลงมาอันเดียวกันถ้าเราลูกคนหนึ่งก็ลูกอันเดียวกันผนที่สุดผ่านอันเดียวกันไปถึงที่เดียวกันเหมือนพระเจ้าย พระสูตที่เราสวดโยจะกกมมงโมหะล า, าประกัศโธสามังวมบทโทุโธพระพุทธเจ้ามาถึงที่นี่แล้วมาถึงนี่แล้วผู้ที่ไปก็ไปถึงที่นั่นแล้วเหมือนกันไปเช่นเดียวกันเดินคนเดียวผ่านที่เดียวไปถึงที่เดียวกันใครจะไปก็ไปถึงที่ตรงเดียวกันผ่านความหลงผ่านอะไรต่างๆก็ไปผ่านตรงนี้นะ ผ่านที่เดียวกันถึงที่เดียวกันเดินคนเดียวกันนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นอะไรเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเห็นสวรรค์เห็นพานอันวันอีกเรื่องหนึ่งจนเป็นคนคนเดียวกันจนไม่เป็นอะไรปพราว่าที่ไม่เป็นอะไรเป็นคนคนเดียวกันศาสนาพราษีอริยเมตไตรก็เกิดขึ้น ในศาสนาสานัโคโดมของเราเนี่ยเมื่อเราไปถึงที่เดียวกันก็นั่นแหละศาสาภราษมีเมตายเกิดขึ้นทุกคนในโลกเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่แผ่นดินมันราบมานหน้าของสายอันเดียวกันแต่แท้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ให้มีความมั่นใจในศาสนมคำสอนซึ่งเป็นประสูิที่ พ่สูจนกันได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปเชื่อใครต้องทาต้องตัวใครตัวมันทำเอาส่วนตัวเราก็ต้องทาไม่ใช่ไปรู้มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้นี่มีการกระทำถ้าไม่ทำตรง น, นี้มันไม่มันไม่ไปมันไม่พดก็พูดให้่ังก มาถึงเมื่อคืนในเอาวันเาแล้วมากับหมู่สงกับหลวงพ่อโกมแปะทองคำแม่สวดผนหมูที่ประจำวันเาที่พรทธรรมมนตรก็อันเดียวกันพวกเรานะให้ตั้งใจให้มีการกระทำอย่า เอาอะไรมาแอบแฝงทาซื่อๆไปปลอยสุดไปหัวเลาะความหลงหัวเลาะความสุขความทุกข์หัวเลาะมันทุกอย่างการว่าหัวเลาะคือมันซื่อๆรู้ซื่อๆไม่มีรสชาติให้มันซื่อๆรู้ซื่อๆรูปแบบเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเนี่ยเป็นแค้อ่ะสมควรใจเวลาเพราเรากลับประป้องกัน